เหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลตอนที่เจ็ดศึกษากันต่อเหมือนจะบทหัวใจให้เป็นแผลก็ขึ้นหัวข้อที่ 4.8 ในเรื่องการอ้างเหตุผลประกอบเรชันอะไรแหมภาษาอังกฤษ เดเรียนโนไรเนเราก็อังกฤษแบบเราเราเนี่ยนะการอ้างเหตุผลประกอบหมายถึงการอ้างเหตุผลอื่นๆขึ้นมาเพื่อปิดบังเหตุผลที่แท้จริงของตัวเองเป็ น, นกลไกป้องกันตัวเองอีกชนิดหนึ่งอาจจะเพื่อรักษาหน้าของตัวเองหรือความผิดของตัวเอง หรืออะไรสักอย่างที่สามารถรักษาผลประโยชน์ของตัวเองพวกนี้จึงเข้าข่ายพวกปฏิกิริยากบเกร่อนคือปากอย่างใจอย่างและเหตุผลที่อ้างฟังดูก็มีเหตุผลดีเหมือนกันแต่ก็เรียกว่ายังเป็นผู้ที่ไม่มีความจริงใจอยู่ยังมีการโกหกอยู่ในหัวใจอาจจะโกหกคนอื่นบางทีก็หันมาใช้กับตัวเอง เพื่อปลอบตัวเองตัวอย่างเรื่องนี้มีกันเต็มท้องตลาดเลยอธิมาว่าอันนี้เราคงจะเจอบ่อยเลยละ่ะในตัวเราเองเลยนะคือยังไม่ต้องไปพูดถึงกับคนอื่นแต่ว่าเราจะจับทันไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราทํากับคนอื่นให้ไปสังเกตดูมกักจะจับทันนะเพราะเรารู้เลยว่าเป็นการที่เราเนี่ยเสแสรบเอาเรื่องอื่นมาพูดแทนเรื่องนี้ เพื่อที่จะปิดบังความจริงของของตัวเราเองอันนี้เราจะรู้แต่คราวนี้เนี่ยถ้ากบเกื่อนเรื่องของตัวเราเองด้วยจิตภายในของเราเองชักจะยากละเพราะยิ่งใครเนี่ยนะชอบใช้วิธีกบเกื่อนเก่งจากกับคนอื่นเนี่ยนะใช้กับคนอื่นบ่อยๆใช้เก่งเข้าเก่งเข้าความเคยชินความถนัดความชำนาญมันมีมาก จนกระทั่งคราวนี้เนี่ยมันกลบเกลื่อนตัวเองนี่นะชักจับไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำจนกระทั่งมันมันมันอะไรอะ่ะเออมันเป็นธรรมดามันเป็นปกติไปแล้วก็เลยกลายเป็นบางทีไม่ทันนึกแล้ไม่ทันคิดแล้วมันน่าจะยกตัวอย่างยั ง, ยงไงเนาะฮะอาจจะ ด, ดูตัวอย่างเขาก่อนเช่นอยากจะกินอะไรแต่พอใครมาทักกับอ้างว่า มีคุณค่าทางโภชนาการวงเล็บแท้จริงอยากกินเพราะติดอร่อยวงเล็บปิดโอ้โหชัดเลยชัดเลยเพียงแต่เขาไม่บอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงหรือว่าหรือว่าบะจังหรือว่าส้มตาหรือว่าสาลาเปาหรือว่าอะไรอีกอะนะที่แล้วแต่ใครจะติดเสร็จ แต่ว่าพอเรารู้จริงๆจิตเราเองเนี่ยเรารู้ใช่ไหมแต่พอคนอื่นเข้ามาทักอ่ะบอกว่าอ้าวกินในนี่เห็นกินบ่อยเลยโอ้โหใช่ไหมชอบกินใช่ไหมแต่แทนที่เราจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหมว่าเราชอบเราก็บอกว่าอ๋อไม่หรอกอันนี้มันมีวิตามินซีกินแล้วมันวิตามินซีช่วยเลยป้องกันอะไรป้องกันเกี่ยวกับฟันนะ กระดูและฟันเออบอกกินเพราว่าเนี่ยมันสุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพฟันไม่ค่อยดีเลยต้องกินวิตามินซีที่ไหนได้โอ้โ ห, โโหเห็นอะไรอ่ะพวกเปรียปร้ยวๆใช่ไหมอะไรอ่ะมะขามเหรอมะขามอะไรมั่งส้มก็ได้มะม่วงก็ได้นะโอ้โหที่ไหนได้อชอบกิน ยิ่งหน้ามะม่วงโอ้กินแล้วเสียวฟันจริงๆ <c oughs> อมาใ่ฟันไม่ค่อยดีโอ้กินแล้วเสียวฟันกลัวไม่ครกล้ า, ก, ลากินแล้วเปรี้ยวเยวออบางคนนี่นี่หน้าทุเรียนหรื อ, อยังยกำลังเริ่มแล้วใช่ไหมเออบางคนชอบกินทุเรียนนี้โอ้ไม่ติดหรอกแต่กินเพราะว่ามันอะไร อะไรได้กรรมฐานเหรอ <ผม S 1> แล้วกรรมฐานช่วยอะไรอะ่ะผมดำออเออกินเพราะว่าผมดำอะไรผิดสิเพราะว่าโกโหกอะ่ะใช่เรารู้ใ จ, รใจเราเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วปิดศีลแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเราพูดไปนี่เราไม่ได้พูดถึงกับตรงข้ามโดยตรงใช่ไหม คือคือบางครั้งเนี่ยพูดแบบเลี่ยงเลี่ยงไงมันไม่เชิงว่าจะบอกว่าโกหโดยตรงเลยมันก็ไม่ถึงกับโกหโดยตรงแต่ตัวเรารู้ว่าเนี่ยเรากบกบเกินเกลื่อนเราหลีกหลีกเลี่ยงแล้วแทนที่จะตอบจริงๆมันเสียหน้าเพราะฉะนั้นก็ตอบเฉียวเฉียวตอบอะไรให้มันเส่เป็นเรื่องอื่นซะอันนี้เราจะจับกิเลส ต, ตัวเราเองแต่ว่าที่อาตมาอยากจะบอกอันตรายก็คือว่าพอเราทําไปอย่างนี้บ่อยเนี่ย วันหลังคราวนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยมันเกี่ยวกับใจเราเองวันคราวนี้เนี่ยพอเราไปกินสมมุติว่านั่นเนี่ยเรื่องกินเนี่ยคราวนี้สมมติว่าเราไปติดอ่าอะไรอ่ะข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยนะสมมติพอเราติดแล้วเนี่ยคราวนี้แหละเราแหละหลอกตัวเราเองแหละไม่หลบไม่เลี่ยงไม่อะไรละหลอกตัวเองจริงๆเลยบอกว่าเนี่ยอ้างเหตุผลเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นูนเพราะบำรุงอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเราเราเราู้อยู่ว่ามันไม่จริงอ่ามารู้อยู่ว่าเป็นกิเลสของเราแต่เราจะอ้างหรือเหมือนอย่างอย่างบางทีอย่างเรื่องทําวัดอย่างเงี้ยแเราบอกว่าโอ้เราอยากจะมาทํานะทําวัดเนี่ยแต่เราติดไอ้นู่นติดไอ้นี่เราเลยมาทําวัดไม่ได้เ <laughs> <c oughs> หตุผลเหตุผลมากนะเหตุผลโน่นเหตุผลนี่จะมีเยอะแต่บางทีเราลองจับสิถ้าเราเราพยายามเอาจริงนะ จับจิตแล้วเข้าไปสิจับเข้าไปจับเข้าไปบางทีเดี๋ยวรูเบบ้เองว่าเออจริงๆมันก็พอไปได้อยู่แหละแล้วเราจะเห็นแต่ว่าถ้าใครเนี่ยทําบ่อยๆทําจนเคยชินอย่างที่อาตมาบอกมันกลายเป็นนะจริงๆบอกแล้วลึกๆเรารู้อยู่ถ้าเราปฏิบัติมาเนี่ยเรารู้อยู่แต่ไอความรู้สึกที่เรารู้ความจริงอันเนี้ยมันจะโดนเรากลบเรื่อยๆลบไอที่เขาใช้คําว่ากลบเกลื่อนเนี่ยคุณเข้าใจคํานี้ไหม กรอบก็คือปิดลงไปใช่ไหมเกลือนี่ก็คือทําให้มันเรียบๆ ร, ร, ราบๆทําให้มันดูแล้วไม่อะไรอ่ะไม่เห็นมีพิรุษเออไม่เห็นมีร่องรอยไม่เห็นมีอะไรที่มันจะทําให้เราจับอะไรขึ้นมาได้นั่นแหละไอ้ลักษณะกบเกลือนี่คือในที่สุดเราเองเนี่ยแหละเราจะกบไอ้ความรู้สึกที่เรารู้ว่าไม่จริงนะไม่จริงนะซึ่งมันมีอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะกบแล้วก็เกลื่อนมันทิ้งๆไปละวันในที่สุด เราจะหลอกตัวเราเองหลอกจริงๆแล้วขราวนี้หลอกไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันเป็นความหลงข่าวนี้มันจะเป็นความหลงเนี่ยที่เราเรียกว่าโมหะมันหลงแล้วเพราะว่ามันไม่จริงแล้วขราวนี้ว่าอันนี้ต้องพยายามจับให้ได้แม้ว่าบางทีเนี่ยบางทีเราขี้เกียจเราไม่อยากจะมาทำวัดจริงๆเนี่ยหัดหัดยอมรับความจริงของตัวเองว่าเออเราขี้เกียจจริง เราไม่ไม่ยอมมาทําวัดอะไรเงี้ยนะให้หัดยอมรับความจริงให้ได้ส่วนว่าเราจะแก้ไขหรือจะอะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยไม่ควรโกโหกตัวเองเพราะถ้าใครโกหกตัวเองนี่อันตรายมากอันตรายยิ่งกว่าโกโกหกคนอื่นเพราะคนที่โกหกตัวเองได้นี่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้แล้ว ถ, ถ้าลองจะโกหกตัวเองได้เนี่ยจบเลยแต่คนที่โกหกคนอื่นนี่บางทีอาจจะไม่โกหกตัวเองนะเขาโกหกคนอื่นเนี่ย แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นไปด้วยกันคือถ้าลองโกหกคนเองเอ่อโก6คนอื่นแล้วเนี่ยที่อาจะมาบอกว่ามันจะมีลูกโซ่ที่เคยชินแล้วในะที่สุดก็จะโกหกตัวเองส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกโซ่ที่ตามกันมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันตรายที่เราจะต้องระวังไว้ส่วนตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือผมต้องรีบกลับบ้านครับเมียไม่ค่อยสบายวงเล็บที่จริงกลัวเมียด่า นะแต่ต้องรักษาหน้าไว้ก่อนนะนะเวลาเพื่อนถามเออทำไมรีบกลับบ้านนะ อ, อ๋อต้องต้องรีบกลับบ้านครับเบียไม่ค่อยสบายแต่ที่ไหนได้เราเราจะไม่ค่อยสบายถ้ากลับชาจเพะจะโดนเมียเล่นงานเอาเออเออตัวอย่างต่อไปเลิกกินเนื้อสัตว์ลาบากค่ะที่บ้านใครๆเขาก็กินกันวงเล็บตัวเองยังอยากกินอยู่วงเล็บปิด อันนี้เราจะเห็นชาติเราจะเห็นบ่อยเลยนะสำหรับคนที่เลิกบางสิวิรัตเอ่อเลิกเนื้อสัตว์ไม่ได้แต่ว่าเอาเหตุผลอื่นมาอ้างทั้งทั้ง ท, งที่บางทีเผลอๆที่บ้านเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ตัวเองเนี่ยแหละเอายกอนุยกอันนี้มาอ้างเพราะความจริงคือกิเลสตัวเองอยากจะกินยังอดใจไม่ได้นะเอาเหตุผลอื่นมากรบเกื่อน ไอ้เหตุผลพวกนี้อาจจะมาว่าพยายามไปจับด้วยให้ดีคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพยายามจับโกหกตัวเองให้ได้ใครจับโกหกตัวเองไม่ได้คนนั้นปฏิบัติธรรมให้เจริญขึ้นหรือว่าจะให้ไปบรรลุธรรมไม่มีทางเลยถ้าลองจับไม่ได้แล้วลวก็นะเพราะฉะนั้นจะ ต, ต้องหมั่นจับตัวนี้ให้ได้ อ, อีกตัวอย่างหนึ่งโอ้โหตัวอย่างเขาเยอะเลยนะ แม้ดิฉันไม่ค่อยมีเวลามาหาพระคุณเจ้าเลยอ่ามาถึงพระแล้วนะพระคุณเจ้าเลยเจ้าค่ากายงานมันรัดตัววงเล็บแต่มีเวลาไปดูหนังวงเล็บปิดโอ้อันนี้ยิงชัดเลยมันติดปากเลยคนที่พูดพูดพูดกบเกลือนพูดอะไรอะ่ะเหมือนกับโกหกอย่างเงี้ยบ่อยๆติดเป็นนิสัยเลยบางทีไปไหนมา เปล่าป่ะปะอันนี้อันนี้เป็นเป็นคำสร้อยที่มันติดเองอนะจริงๆเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เปล่าหรอกนะแต่อันนี้จริงๆควรจะมีสติไอ้คําเนี้ยควรจะมีสตินะคอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยอย่าให้มันกลายเป็นสร้อยเป็นอะไรไม่ใช่สร้อยเป็นไอ้คานําหน้าอย่าให้มันไปอย่างนั้นไปไหนมาเปล่า แต่ความหมายคําว่าเปล่าเราต้องรู้ว่ามันเท่ากับว่าไม่ใช่ไหมไม่ได้ไปไหนน ะ, ะเพราะฉะนั้นพยามมีสติอย่าอย่าให้เผลอเผลอพูดไปจนกลายเป็นความเคยชินบางทีมันต้องใช้คู่กันเปล่ามัาน้นู่มาอ๋ อ, อถ้ามันมีตามมามันก็มันก็ช่วยทําให้คนอื่นเขาเข้าใจได้แต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นคําที่เราใช้แล้วมันผิดความหมายไงนะ อันตมายยังต้องระวังเลยเผลอไม่ได้เผลอละเป้าแหมคนไทยเรานี่มันตีจริงจริ ง, ร ง, รงอ่ะนะเออไปไหนอ่ะเปล่าไปดูหนังมาเอะเปล่าแล้วไปดูหนังมามันมันย้อนแย้งกันเนี่ยไอไอภาษาคำพูดเ่จริงๆแล้วมันผิดเนี่ยไม่ถูกต้องอผิดไวยากรณ์ผิดอะไรต่างๆนานาผิดความหมายอ่ะถ้าคุณไปอ่านเจอเป็นภาษาตัวหนังสือเขียนคนที่เขาไม่รู้สำนวนแบบไทยๆเลยนะ เขางงตายเลยเอ๊ะ<ถ>มันเหมือนกับไอ้คำว่าภาษาอังกฤษเขามี no มี yes ใช่ไหม no ก็ไม่ใช่ไหม yes ก็ใช่ใช่ไหมอันนี้พอ no เสร็จเอ่ออะไรอ่ะพยักหน้า no แล้วก็พยักหน้าเอ๊ะมันขัดแย้งกันนะเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าไปทำในสิ่งที่มันดูแล้วมันสับสนนะอ่าอีกตัวอย่างนึง แฟนหนูเขาบอกให้จัดงานแต่งงานอย่างหรูหราก็ดูก็ดีเหมือนกันค่ะยุคนี้ยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดเรามันยิ่งพวกเบี้ยน้อยหอยน้อยวงเล็บเมื่อคืนแอบร้องไห้จะแต่งทั้งทีแฟนไม่ยอมจัดงานหรูหราเลยเสียใจใหญ่วงเล็บปิดคือผู้แก้ตัวนั่นเองจริงๆแล้วคือแฟนเขาไม่อยากให้จัดหรูหราไม่อยากให้จัดใหญ่โต แต่เวลาพูดนะไปอ้างเศรษฐกิจเอามาอ้าง ม, มันคนละเรื่องไงคนละเหตุผลเลยมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงอ่ะอีกตัวอย่างหนึง่งมามาถึงพระมังแล้วที่ผมศึกออกมาก็เพราะวงการสงฆ์มันสกปลกครับอยู่ไปก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้สู้ออกมาเป็นครวาสทำประโยชน์ได้มากกว่าบงเล็บทนกิเลสไม่ได้ต่างหาก้องล็บป เออเอากันดื้อๆอย่างนี้นะอันนี้ก็รู้กันอยู่นะว่าบางทีเนี่ยนั่นแหละกิเลสตัวเองทนไม่ไหวแล้วก็เลยต้องสึกแต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียหน้าก็อ้างเหตุผลอื่นอีกตัวอย่างหนึง่งที่ผมพูดนี่จริงๆนะอย่าหาว่ายกตัวยกตนเลยวงเล็บยกได้ก็ดีว่าแฮมอะไรอ่ะฮะ ที่ผมพูดนี่จริงๆนะอย่าหาว่ายกตัวยกตนเลยแล้วก็วงเล็บยกได้ก็ดีวะแฮมตัวเองพูดคํานั้นออกไปอ่ะเราก็คิดว่าอ๋อได้ยกก็ดีใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเวลาพูดออกไปนี่พูดพูดเหมือนกับถ่อมตัวใช่ไหมแต่จริงๆเราอยากจะยกตัว เออไออันเนี้ย จ, จับให้ได้นะหมายถึงจับจิตเรานะไม่ใช่ไปจับคนอื่นคอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่ดิฉันทําไปขอยืนยันว่าดิฉันทําเพื่อหมู่คณะทั้งสิ้นวงเล็บฉันทําเพื่อรักษาหน้าฉันยะวงเล็บปิดเอออันนี้อาจามาก็พูดบ่อยนะที่บางทีพวกเราเนี่ยขอพูดเข้าเข้าเข้าเนื้อของพวกเราหน่อย ว่าหลายอย่างเลยบางทีเราจะอ้างว่าเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมทาเพื่อส่วนรวมแต่ความเป็นจริงไอ้ที่เราทำเนี่ยพราะว่าหนึ่งเราชอบทำสิ่งนั้น 2. คือเราไม่อยากทำอย่างอื่น 3. มก็คือว่ามันอาจจะมีอะไรอะ่ะมีคู่แข่งหรือว่ามีคนอื่นที่จะแบบว่าอะไร เสนอหรือว่าอยากให้ทําอย่างอื่นนะแต่เราเองเนี่ยเราไม่ยอมไงมันเหมือนกับติดอะไรติดเก้าอี้ห่วงเก้าอี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําแต่อย่างนี้่เราไม่ยอมที่จะไปทําอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าก็ต้องหาเหตุผลอื่นอันนี้ยิ่งท่านนนหมูพวกเราเนี่ยมันมาอ้างกิเลสตัวเองได้ไงล่ะอ้างไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันก็ต้องอ้างมาเพื่อส่วนรวมเพื่อส่วนรวมแต่จริงๆตัวเองอยากจะไปเที่ยว่ะ สมมติสมมติมีสมมติคืออยากจะทำอย่างนั้นเนหรือบางคนก็อาจจะอ้างไปทัศนศึกษาแต่จริงๆคืออยากไปเที่ยวจะไปสัมมน า, าก็แล้วแต่นั่นแหละ <c oughs> แต่จริงๆก็คือไปเที่ยวดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นแบบการกรบเกลียนอย่างหนึง่ง อีกตัวอย่างหนึ่งเขาเป็นตัวอย่างสุดท้ายว่าผมสงสัยอะไรเป็นต้องพิสูจน์ครับเพียงฟังมาคิดไปมันก็เป็นเพียงทฤษฎีถ้าจะให้ดีต้องเข้าพิสูจน์ด้วยตัวเองครับเรื่องการแต่งงานที่พระคุณเจ้าว่ามาผมฟังแล้วก็พอมองเห็นทุกครับแต่ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผมต้องทดลองดูก่อนครับถึงจะเชื่อ วงเล็บเขาวงเล็บมาโถเสร็จแล้วก็คนนี้ก็พูดต่อนะว่าผมต้องทดลองดูก่อนครับถึงจะเชื่อพูดโโถพูดเสียโก้ที่แท้ก็ทนอารมณ์อยากของตัวเองไม่ได้ทางหากวงเล็บปิดนะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะไม่ต้องอธิบายมากอันนี้มีเยอะเลยคือยังไม่รู้ทุกจริงๆ ถ้ารู้ทุกจริงๆนี้ไม่เล่นกับทุกแน่นอนคนที่ยังไม่รู้ว่ามันเป็นทุกจริงๆเนี่ยถึงจะต้องทดลองเราเคยยกตัวอย่างกันมาเยอะแล้วบอกว่าถ้าใครรู้ว่าไฟมันร้อนจริงๆเนี่ยไม่มีใครกล้าจับเพราะว่าจับแล้วมันจะไหม้มือแล้วก็ต้องเจ็บต้องปวดถ้าคนนั้นรู้อย่างนี้จริงๆคนนั้นจะจับเลยนอกจากคนยังไม่รู้เท่านี้ไม่เพียงแต่ไม่รู้ว่า ไฟมันร้อนมันจะไหม้เท่านั้นนะกลับคิดเอาว่าไฟนั้นโอ้โหดูแล้วแหมมันเป็นเปลวสวยนะดูแล้วมันสว่างสวยมันมันอะไรอะ่ะให้ความอบอุ่นกลับจะยิ่งชอบอยากจะจับตั้งหากเราถึงได้ต้องพิสูจน์อย่างเงี้ยต้องจับนะมันกลับจะเป็นอย่างนั้นไปเสียงที่สองคือความหมายหรือความรู้สึกแฝงที่แว่วออกมานั้น บางทีเจ้าตัวก็รู้แต่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้และเจ้าตัวไม่รู้นี่แหละทําให้มนุษย์เดือดร้อนมากที่สุดเพราะเมื่อจิตใจปฏิเสธความแท้จริงเราจะเริ่มแก้ปัญหากันตรงจุดไหนเราซึ่งอาจามาบอกแล้วนะว่าอลักษณะที่ไม่รู้เนี่แหละมันคือตัวโมหะเพราะเมื่อเมื่อลองโมหะแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่มีทางเลยจบเลยเกมเลย คือไม่มีทางจะไปแก้ตรงไหนได้ยิ่งซวยหนักถ้าไม่รู้ไม่รู้สมุทัยเนี่ยไม่รู้ตัวรากเงาที่จะแก้ไอ้อย่างนั้นยังยังโชคดีนะที่ซวยกว่านั้นก็คือว่าไอ้ตัวโมหะตัวหลงเนี่ยมันกลับไปคิดว่าเป็นตัวอื่นนั่งค่ะคือเขาไม่รู้จกักสักยะไงเพราะงั้นเขาก็ไปเอาตัวอื่นมาแก้เอาตัวอื่นมาแก้ แลยิ่งแก้ผิดยิ่งยิ่งแก้ก็ยิ่งผิดพูดง่ายยิ่งแก้ก็ยิ่งผิดยิ่งไปไกลใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคนนี้จะยิ่งหลงหนักไปเรื่อยหลงหนักไปเรื่อยหลงหนักไปเรื่อยไอ้ที่ซวยนี่ซวยตรงนี้คือมันจะมันจะแก้ไม่ถูกจุดเลยเพราะว่าเขาไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าตรงไหนที่ที่เขากบเกลื่อนตรงไหนอะไรเป็นเนื้อแท้ของของเหตุเรื่องนั้นที่ทําให้เขาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็ใ น, นเมื่อเขาไม่รู้อ่ะเพราะเขาก็ แก้ไอ้นั้นแก้ไอ้นี่แก้ไอโนโนไปเอายกตัวอย่างเอาให้ยัดชัดสิอย่างเช่นาบางคนอยากจะมาเป็นนักบวชนะอยากจะมาถือศีลามาปฏิบัติธรรมแต่ตัวเองเนี่ยอยากจะมานะแต่ว่าตัวเองนี่จับกิเลส ต, ตัวเองไม่ได้ว่าจะปฏิบัติยังไง จะทายังไงให้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวเองต้องการนะจากศินห้าสินสิอะไรพวกนี้คนนี้ไม่รู้แต่คิดอยู่แต่ว่าถ้าได้รูปแบบอย่างนั้นนะลองลองดูนะันี่กำลังจะสมมุติถ้าได้รูปแบบเอานุ่มนุ่งเหลืองห่มเหลือ ง, ห, ห, องหรือว่านุ่งชุดของนักบวชแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชนะแต่คนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆความเป็นนักบวชจริงๆเนี่ย มันอยู่ที่การถือศีลใช่ไหมมันอยู่ที่การปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้ภูมาทมสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งเป็นนักบวชแล้วก็สมกับฐานะสมกับชุดที่ใสอ่าเพราะน้ชุดเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นองค์ประกอบของคู่ที่ถือศีลได้ไอ้ชุดภายนอกเนี่ยแต่คนนี้ไม่รู้เพราะนั้นเมื่อคนนี้ไม่รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ ศึกษาไม่ได้ตรวตาให้มันมีสัมมาทิฐิหรือว่าถูกต้องอะไรเพราะทุกวันนี้เขาก็เลยถึงได้มีพวกที่มาบวชโดยใส่แค่ชุดแต่การปฏิบัติหรือว่าการอะไรจริงๆนี่เขาก็ทําไปตามที่เขาอยากจะทําหรือว่าที่เขาโมหะที่เขาหลงมันก็ทําได้ทั้งนั้นน่ยจะทําอะไรก็ทําไปก็ทําตามใจเพียงแต่ว่าอยู่ในชุดอาอาจจะโกนหัวด้วยอยู่ในชุด อีวอนนะเหมือนกับรูปแบบพระทุกอย่างแต่การไปปฏิบัตินี้ไม่มีศีลเลยอย่างเงี้ยมันเขาก็ไม่รู้สมุทัยเลยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าจริงๆมันควรจะเริ่มที่ตัวไหนหรือว่าที่จุดไหนมันคนที่ไม่รู้เลยนี่นอนามาพูดในแง่ดีบ้างว่าคนจะมาเอาดีเนี่ยเมื่อไม่รู้เนี่ยเอาก็ทําอะไรก็คิดว่าได้ชุดได้แบบอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้ว สุขสมใจเขาหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ความจริงไม่เลยก็ยังได้นรกอยู่ดีเพราะว่ายังมีกิเลสอยู่เต็มไปหมดไม่ได้ถือสีไม่ได้ลดลาอะไรต่อให้ได้แบบฟอร์มของนักบวชก็ตามใช่ไหมเนี่ยอันนี้นี่พูดในมุมบวชบ้างมุมมุมบวกนะเพราะว่าเราพูดมุมลบมาเยอะแล้วจะเห็นได้ว่าลีลาของการใช้เหตุผล ถ้าฟังฟังดูก็รู้สึกถูกต้องมีแนวโน้มเป็นไปได้และดูเป็นทางออกที่สวยดีแต่ถ้ว่าเหตุผลก็เป็นเรื่องของเหตุผลแต่เหตุผลที่แท้จริงจากหัวใจนั้นย่อมมีเพียงหนึ่งเดียวจริงจริงอยู่บางทีเหตุผลที่อ้างแก้ตัวนั้นบางทียังน่าเชื่อกว่าเหตุผลจากใจแท้แท้ที่มีอยู่ถมไปอ่าแล้วเขาก็ยกตัวอย่าง โอ้พอดีเลยนะทำไมถึงอยากบวชเพราะผมบนไว้ครับวงเล็บนี่ก็เหตุผลที่แท้จริงของเขาวงเล็บปิดเอานะเข้าเข้าทำนองที่เล็กี้อาจมายกพอดีเลยคือเนี่ยมันจะมีเหตุผลอื่นที่สมมุติว่าเนี่ยคนไม่รู้ว่าจะบวชทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยบวชทำไมบวชเพื่ออะไรอะไรเป็นเป้าหมายของการบวชตามสัจจะนะตามความเป็นจริง เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่ยก็เอาตามที่เข า, เขาคิดเขาไปบนมาว่าต้องบวชเพราะฉะนั้นแก้บนก็เลยต้องมาบวชแก้บนเห็นไหมอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องกิเลส ข, ของเขาเองฮะมันเป็นความจริงตามอะไรอะ่ะตามเหตุการณ์ของเขาแต่มันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ความจริงของการบวช ก็ใช่ไหมหรืออย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะตั้งใจว่าถ้าสมมติถูกหวยคราวนี้แล้วนะถ้าถูกหวยแล้วนะจะบวชอย่างเงี้ยอสมมตุติอ้ามันก็เป็นความจริงตามตามไอ้อะไรอะวิถีชีวิตของเขาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของของเขาใช่ไหมนี่เขาไม่ต้อไปบนที่ไหนนะเอาแค่นี่เป็นความตั้งใจของเขาปรากฏว่าเขาถูกหวยจริงๆด้วยพระเมื่อถูกหวยอ้าวเพราะเขตั้งใจไว้อะ เพราะนั้นเขาก็ต้องไปบวชแต่ว่าการบวชอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นความบวชที่สมาทิฏฐิไม่จะเป็นความถูกต้องไม่จะเป็นสัจธรรมของการบวชเอ้าใครจําได้ว่าการบวชนี่พระเจ้าท่านสอนมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่คนควรจะมาบวชมีอยู่ประเด็นเดียวไม่มีประเด็นอื่นเวลาท่านตรัสเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสนะท่านจะมีเยอะแยะไอ้ที่บอกว่าไม่เพื่อราบยศและเสริมไม่เพื่อหาปริวาน ไม่เพื่อชื่อเสียงไม่เพื่อให้คนมาศรัทธาเชื่อถืออันนั้นไม่ไม่ไม่ไม่ทั้งหลายนะแต่คราวนี้บอกว่ามาบวชเนี่ยเพื่ออย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นคืออะไรเพื่อมาลดล่กิเลสจนกระทั่งให้ถึงที่สุดมีประสงค์เดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นใดนี่คือสัจจะของความแท้จริงของการที่จะบวช ถ้ามาบวชเพื่ออย่างอื่นแล้วนี่ไม่ถือว่าเป็นการบวชเลยหมายถึงว่าไม่ถูกต้องนะแต่เป็นความจริงไหมเป็นความจริงตามที่ที่เขาจะบวชอย่างบางคนก่อนจะแต่งงานใช่ไหก่อนเบียก็ต้องบวชก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามประเพณีอันนี้เป็นไปตามประเพณีเป็นความเชื่อแต่ไม่ใช่เป็นไปตามศัจธรรมของพระเจ้าที่ท่านสร้างศาสนาที่ท่านกาหนดของท่านเอาไว้ใช่ไม เขาก็นั่นไงเขาก็ตอบตามความหลงของเขาไงอันมันถึงบอกว่าเขาหลงไปยังไงเขาก็หลงไปตามนั้นอ่แต่มันไม่ใช่เป็นสัจจ์จริงๆริอ่าอีกตัวอย่างหนึง่งทําไมถึงเตะเธอเพราะผมรักเธอครับเอ๊ะมันยังไงอ่ะฮะอันนี้เนี่ยเขาจะพูดว่ามันมีเหตุผลแบบว่าจริงอยู่ด้วยใช่ไหมไอ้เรืนี้มันจะจริงเหรอ ทำไมถึงเตะเธอเพราะผมรักเธอครับเอออันนี้นี่อันตคิดไม่ออกให้อันนี้รักแล้วถึงจะเตะแล้วมันก็ซาดิสแต่ทีี้เนาะถ้ารักแล้วก็เตะอย่างนี้นะกกนมันก็ซาดิสเท่านั้นเองเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขากลังจะยกตัวอย่างที่มันบอกว่า มันเป็นสภาพตามความเป็นจริงด้วยแต่ว่ามันโมหะนะอ่าอาิมาว่าตัวอย่างนี้มันรู้สึกมันจะไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยข้อแก๊บเท่าไหร่ะนะอ่าดูอีกตัวอย่างที่ตะโกนเสียงดังตะโกนเสียงดังทำไมเฮ้ยคันคอครับเอ๊ะคันคอเลรอ <c oughs> เลยตะโกนเสียงดัง <c oughs> หายเหรอ เออเอาๆาทางนั้นยอมรับมีมีคนอ้างว่าจริงมีคนรับรองจะเห็นว่าเหตุผลแก้ตัวเป็นไปได้ 108. ร0อยแเจตนาที่แท้จริงคือเหตุผลที่ตรงเป้าที่สุดผู้ใดก็ตามที่พยายามหาเหตุผลอื่นๆมาปิดบังเหตุผลที่แท้จริงของตนเองก็เท่ากับว่าเป็นผู้ไม่มีสัจจะทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย จึงไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เลยด้วยเหตุที่ไม่สามารถยังเข้าหาเหตุแห่งทุกขวงเล็บสมุทัยได้